ขอนอบนอบ้พอมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออากาศหลวงพ่อกรมหลวงพ่อทองสุขพระอาจารย์ทรงศิลพระอาจารย์วันน่าจแล้วก็เพื่อนจะทุทุกท่านนะจะเดินในทรรมไม่ชีแล้วก็ยติธรรมทุกคนขึ้นเป็นแพทเทิร์นนะี้แนะนะแพทเทิร์นของความเคารพนะมันก็ต้องมีมีบ้างนะเพราะว่า เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะเ ร, เราก็ต้องทําความเคารพทําความนอบน้อมชาวพุทธเร า, เราก็ต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นเป้าหมายในเบื้องต้นนะเป้าหมายในเบื้องต้นต้องให้ทําความรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงคืออะไรเรารู้จักกันหรือยังนะ พระพุทธเจ้าที่มีตัวตนจริงๆนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราเข้าถึงคุณธรรมของความเป็นพุทธก็คือความรู้ตื่นเบิกบานที่เป็นสภาวะสภาวะธรรมหรือเปล่านะความเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นตัวตนเป็นเจ้าชายออกฝันวดเจอทั้งบรรุธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ตัวตนของความเป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้เพียงแค่แปดสิบปีนะแปดสิบพรรษาก็ปริญิานานไปตัวตนที่เป็นเนื้อหนังบางสาเนาะเป็นร่างกายเป็นธาตุนะเป็นขันก็ต้องดับไปทุกคนไม่ป้าแต่พระพุทธองค์หรือว่าไม่แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ต้องเสื่อมไปดับไปตกอยู่ในกฎของความ เกิดแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันนะเพราะว่ามันมีเนื้อหนังมังสามันมีร่างกายมันก็ต้องดับไปแต่ความเป็นสภาวะที่เรียกว่าเป็นพุท ธ, ธคือความรู้ตื่นเบิกบานนะสภาวะตัวนี้มันไม่เคยเกิดไม่เคยดับมันมีอยู่เป็นประจำอยู่ในโลกนี้หรือว่าโลกไหนไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นสภาวะของจริง พระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่คนค้นพบความจริงตรงนีนะ้ความจริงนั้นนี่มันมีอยู่แล้วแต่เพียงว่าบุคคลทั่วไปไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสภาวะนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นเพียงแค่บุคคลซึ่งค้นพบแนวทางนี้ท่านค้นพบคนแรกบางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับตัวบุคคลของท่านเองว่าเป็นเหมือนกับไก่ ไก่ตัวพี่<ก>ที่เรียกว่าเจาะเปลือกไข่มาก่อนไกน่ตัวอื่นๆนะท่านรู้วิธีเจาะตัวเองออกจากไข่ไขก็คือรู้ว่าจะเจาะความทุกข์ออกไปได้อย่างไรสู่ความไม่ทุกข์นะท่านรู้วิธีการตรงนี้ก็เลยแนะนําน้องๆแนะนําคนรุ่นหลังให้เจาะเปลือกไข่ด้วยตัวของเขาเองเพราะพระพุทธองค์ไม่ได้ทําให้กับใครได้ ท่านเพียงแต่แนะนำให้พวกเราทำตามที่ท่านเคยทำมาถ้าเราทำตามที่ท่านเคยทำมาเราก็จะเข้าถึงสภาวะที่ท่านเป็นเช่นเดียวกันอันเนี้ยพระพุทธเจ้าคือบุคคลเช่นนี้นะไม่ใช่เรากลาวไหวพระพุทธเจ้าเพื่ออ้อนบอนขอร้องให้ท่านช่วยให้เราพ้นทุกข์กให้ท่านช่วยให้เรามีความสุ ข, สขให้ท่านช่วยดนบรรดาณอะไรต่างๆนะ ถ้ายังกราบไหว้พระพุทธเจ้าหรือว่าสวดมนต์อ้อนวอนถึงต่างๆเหล่านั้นนะมันก็ยังไม่ใช่สภาวะที่เราเข้าถึงความเป็นพุทธะหรือเข้าใกล้พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ส่วนหนึ่งธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงนะเป็นสัจจธรรมนะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่จริงมันเป็นส่วนเดียวกันนะ สภาวะธรรมนะที่เป็นสัจธรรมนะมันเป็นโดยปรมาทัยนะแต่คําสั่งสอนที่พระเจ้าเอามาสอนนะเอาสมมุติมาสอนก็คือเอาภาษามาใช้เพื่อบอกเพื่อสอนสภาวะที่เป็นปรมัตาธรรมที่เป็นธรรมะมันไม่มีภาษามันไม่มีสมมุติก็ถูกคนที่รู้ธรรมะนะเอามาสมมุติมาใช้มาบอกมาสอนต่อเนี่ยก็คือพระธรรมนะ ธรรมะเนี่ยแหละเป็นเครื่องเรียกว่าเป็นยาที่รักษาโรค<ล>ทางจิตวิญญาณของเราโรคทางกายเราอาศัยหมออาศัยยาอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆมารักษาโรคทางกายนะรักษาได้บ้างรักษาไม่ได้บ้างมาเป็นธรรมดานะแต่โรคทางใจนะถ้าใครเอาธรรมะมารักษารักษาได้แน่นอนโรคทางใจนะเช่น โรคสำคัญที่สุดคือโรคของความทุกข์โรคของความคิดนะถ้าเราเอาธรรมะมารักษานะโรคที่เกิดจากเพราะว่าความคิดมากโรคเพราะเกิดจากความคิดไม่ตกนะวางไม่เป็นเย็นไม่ได้นะโรคต่างๆเนี่ยจะดับไปนะดับไปแน่นอนเพราะว่าอะไรมันเป็นปมันเรียกว่ามันเป็นคู่ตรงข้ามกับธรรมะถ้าเรามีธรรมะนะ โรคที่เกิดจากความคิดโลกที่เกิดจากจิตมันโดนกีดเขตครอบงำนะรอบรอมันตกไปแน่นอนถ้าเราอาศัยพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นเครื่องเรียกว่าเครื่องสอนจิตนะฝึกหัดจิตให้มันเห็นความจริงเข้าใจความจริงนะทำความจริงให้ปรากฏขึ้นในจิตนี้นะโลกตัวนี้มันเข้าถึงแน่นอนอันนี้คือพระธรรมคํำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านเอามาบอกสอนต่อ ก็คือความจริงของธรรมชาติถ้าเราทำหน้าที่ถูกตามความจริงของธรรมชาติมันก็คือการทำถูกเหตุถูกปัจจัยสู่ความไม่ทุกข์ได้นะประสงค์ก็เช่นเดียวกันนะประสงค์อาจจะไม่ใช่แค่ประสงค์ที่นุ่งเหลืองแบบนี้นะแต่ประสงค์คือคุณธรรมของทุกคนทุกคนสามารถเข้าถึงสภาวะความเป็นประสงค์ได้ถ้าเราจากัดประสงค์ แค่ในรูปแบบสตรีเพศก็ไม่สามารถเป็นพระสงฆ์ได้นะหรือแม้แต่ภพภูมิอื่นก็ไม่สามารถเป็นพระสงฆ์ได้แต่พระสงฆ์ที่แท้จริงไม่ใช่จำกัดที่เพศที่วัยอ่าหรือว่าที่ภพภูมิไหนไหนแต่พระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำส่องสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตรงตามความเป็นจริงที่มีในธรรมชาติตอนนี้แหละสภาวะความเป็นพระสงฆ์จะปรากฏขึ้น กับตัวที่เป็นพระโดยสมมุติเป็นแม่ชีเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นใครก็ได้แต่ถ้าทำตรงนี้ถูกนะเข้าถึงความเป็นพระสงค์แน่นอนในสมัยพุทธกาลก็มีมากมายผู้ที่เข้าถึงสภาวะความเป็นพระสงค์แต่ไม่ได้บวชเป็นพระก็มีหลายคนคลองเรือนอยู่ก็มีบางคนเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่ ออกจากเรือนแต่ก็ยังไม่บวชก็มีก็มีหลายๆรูปแบบบางคนแต่ตั้งใจมาบวชก็มีก็มีหลายแบบแต่ความเป็นสภาวะพุทธะที่เกิดขึ้นในจิตของแต่ก่อนเป็นปุถุชนกลายมันเป็นอริยะบุคคลอริยสงฆ์มันสามารถเข้าถึงได้เพราะอะไรเพราะว่าเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่พระเจ้าสอนไว้ปฏิบัติถูกตรงตามธรรมะก็เข้าถึงสภาวะ เกิดพุท ธ, ธะขึ้นในจิตจิตเขายกระดับขึ้นมาสู่ความเป็นพระสงฆ์ที่แท้จริงนะพระสงฆ์คือผู้ที่ตั้งมั่นนะตั้งมั่นต่อพระรัตนไตไม่ง้อนเงีนงค่อนแคลนแล้วนะจะมีศาสนาไหนเกิดขึ้นก็ได้แต่จะมีลทัทธิไหนเกิดขึ้นก็ได้แต่จะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่ไม่หวั่นไหวนะแต่ไม่ได้ปฏิเสธกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกแต่ไม่หวั่นไหว แต่เป็นผู้ที่มั่นคงในพา ร, รัสไตนแน่นอนเรียกว่าไม่งอนแง่งค่อนแคนแล้วแม้จะมีใครบอกว่าผู้เจ้าไม่มีจริงคาสั่งสอนในพรตไตรปิฎกมันผิดผู้ที่ประพฤติปฏิบัติชอบไม่มีอยู่แล้วมันไม่เชื่อหรอกนะแต่ไม่ปฏิเสธหรอกนะใครจะพูดอย่างไรก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราถ้าเราปฏิบัติแล้วเรารู้ตัวเองว่าอื้สภาวะสิ่งที่เป็นเช่นนี้ เราสามารถทำให้ปรากฏขึ้นในจิตของเราได้มันจะไม่งอนแง่นคอนแคนในพระตะไตร์เพราะว่าอะไรเพราะที่สำคัญมันเชื่อมั่นว่าตัวของเราเองนะที่เป็นสมมติแบบนี้แหละนะมันก็เข้าถึงสภาวะสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะมันเชื่อมั่นมันตัดทามันเห็นว่าที่จริงพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงไม่ได้แยกขาดจากกันนะมันก็นกรวมกันอยู่ในสภาวะ ของจิตนะที่มันมาประกอบกับตัวบุคคลที่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นขันห้าทั้งหลายเนี่ยมันก็สามารถเข้าถึงเป็นพระรัตนตรัยได้มันเชื่อมั่นว่าบุคคลคนหนึ่งนะมันสามารถเข้าถึงสภาวะนั้นได้มันเป็นสภาวะนั้นได้แต่มันก็ไม่ยึดมั่นในสภาวะนั้นนะมันก็แค่รู้ว่ามัน มันทได้รู้ว่ามันเป็นแต่มันก็ไม่ใช่ไปยึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนของเราดอกนี่แหละนะการเข้าถึงพระนารายการนอบน้อมการกราบไหว้การสวดมนต์นะการปฏิบัติธรรมก็ต้องให้เข้าถึงสภาวะต่างต่างเหล่านี้เรามาปฏิบัติธรรมเรามาศึกษาธรรมะนะเราก็ต้องให้เข้าใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรสภาวะตรงเนี้ย เราจะเข้าถึงได้อย่างไรด้วยนะคือเราต้องรู้ว่าสภาวะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคือแบบไหนและวิธีการที่จะเข้าถึงสภาวะตรงนี้ต้องทำอย่างไรนะถ้าเราทำถูกตรงนี้ก็คือคล้ายๆเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะแล้วก็เรามีวิธีการที่จะเดินทางที่ชัดเจนรับรองเราไม่หลงทิศผิดทางแล้วก็เราสามารถถึงถึงจุดหมายปลายทางได้แน่นอนนะ เป้าหมายที่ชัดเจนของความเป็นชาวพุทธนะหรือจะไม่ใช่ชาวพุทธในทะเบียนบ้านก็แล้วแต่ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เรียกว่าพ้นทุกนะเราก็ต้องเป้าหมายชีวิตของเราไว้ว่าเราจะทำนะที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ให้ปรากฏชัดแก่เราให้ได้นะต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตนี้นะถ้าเราไม่มีเจ้าเป้าหมายชีวิตนี้นะชีวิตเราก็จะเหมือนเบ้าที่มันไม่มีเชือกก่อยดึงคอยชักนะ ลอยไปตามลมปลิวไปตกที่นั่นที่นี่นะเหมือนกับโคมไฟที่เขาปล่อยขึ้นไปแล้วแต่ลมจะพาพัดไปหมดลมก็ตกลงมาชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายก็เป็นแบบนั้นนะคิดว่าอะไรจะพาให้เกิดความสุขคิดว่าทำอะไรแล้วมันจะดีก็โดนชีวิตคนอื่นที่เป็นแบบอย่างที่เขาล่อที่เขาโฆษณาพากันไปแต่ถ้าเรามีชีวิตถ้าชีวิตเรามีเป้าหมายว่า จะทำอย่างไรชีวิตนี้ถึงจะไม่ทุกข์นะทำอย่างไรถึงจะหมดค้นจต่ความทุกข์ให้ได้เราก็เดือแต่ความเลือกแสวงหาวิธีการที่จะพาชีวิตนี้ไปสู่ความไม่ทุกข์ให้มันได้วิธีการต่างๆอันนี้นะมันก็รวมลงมาง่ายๆหรือสรุปง่ายที่สุดกลับมาดูซิมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เนื่องจากมีอะไร ทำไมมนถึงทุกข์นะพระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้ย้ํากลับมาดูว่ากลับมาศึกษาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองนี่แหละตัวตนที่ประกอบด้วยกายและประกอบด้วยใจกลับมาศึกษาสิสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันทุกข์เนื่องด้วยกายเนื่องเนื่องด้วยการมีกายและก็มีใจของเราเนี่ยแหละมันเลยเกิดเป็นความทุกข์ถ้ามไม่มีกายไม่มีใจนะมันจะมีทุกข์ที่ตรงไหนนะ สรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จริงมันก็ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้ามันเกี่ยวเนื่องได้กายและเกี่ยวเนื่องได้ใจของเราเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทุกข์หนักที่จริงความทุกข์มันมีอยู่ในกายและอยู่ในใจแต่สิ่งที่มันทำให้เหนียวแน่นทำให้มันหลงผิดทำให้มันยึดมั่นก็คือว่าการมีตัวมีตนที่ไปยึดมั่นว่ากายนี้เป็นของเรา ใจนี้เป็นของเราเนี่ยแหละมันเลยเกิดเป็นความทุกข์นะการที่เรามีอุปทานยึดมั่นว่ากายของเราใจของเราเนี่ยแหละทำให้เราเกิดเป็นความทุกข์ไม่ดูนะรู้สึกแบบนั้นไหมถ้ามันไม่มีความเนื่องได้ว่าเป็นกายเราใจเรานะมันจะไม่มีตัวผู้ทุกข์นะมันจะมีแต่อาการที่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายนี้มีแต่อาการที่ทุกข์เกิดขึ้นกับใจนี้เท่านั้น ถ้ามันไม่มีกายเราไม่มีใจเรามันก็มีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกับกายแล้วก็ใจแต่ไม่มีตัวเราเข้าไป็นพู้ทุกข์มันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่อาการอาการที่เกิดขึ้นกับกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือว่าความหิวความอิ่มของกายมันก็เป็นเพียงแค่อาการเฉยเฉยแต่ไม่มีเราเข้าไปเจ็บเข้าไปร้อนเข้าไปหิว ไม่มีเราเข้าไปในสภาวะอาการของกายมันเห็นเพียงแค่เป็นเรื่องของขอ ง, ของท่าทางหลายที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะท่าทางหลายที่มันเรียกว่ า, ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสร้างใหม่นะเสื่อมไปนะมันเป็นอาการแบบต่างๆแล่านั้นมันยอมรับเลยว่ากายก็เรื่องของกายมันไม่ใช่เรื่องของเรานะกายก็ปล่อยให้มันเป็นไป แต่ถ้ามีเหตุมีปัจจัยดูแลรักษาแก้ไขก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยนั้นแก้ไขไม่ได้ก็วางใจไปเลยปล่อยมันปล่อยมันอ่าถ้ามีวิธีการก็รักษามันรักษามันรู้ว่าทุสิ่งของอย่า ง, างมันต้องผุพังมันต้องเสื่อมสุดท้ายก็ต้องดับไ ป, บไปมันรู้มันเข้าใจตรงนี้ยมันก็ก็ปล่อยมันไปรักษามันได้เท่าที่รักษาได้รักษาไม่ได้ก็วางใจยอมรับมันไป ไม่ทุกร้อนเพราะเรื่องของกายจิตใจก็เช่นเดียวกันนะจิตใจมันเป็นเช่นไรมันเป็นตัวเป็นตนของเราจริงไหมถ้าเป็นตัวเป็นตนของเราเราบังคับมันได้ไหมมีใครบังคับใจได้ไหมใจมันจะคิดก็คิดของมันเองใจมันจะสุขก็สุขของมันเองใจมันจะทุกข์ก็ทุกข์ของมันเองใจมันจะมีกิเลสก็เรื่องของมันเองใจจะมีธรรมะก็เรื่องของมันเอง แต่เรื่องของมันเองไม่ใช่เกิดจากเพราะว่ามีใคร ม, มาลิขิตนะมีใครมากําหนดชะตาหรือว่าจะแก้ไขไม่ได้มันเป็นอีกคนละแบบหนึ่งนะมันจะมีความเชื่อที่แบบว่าอ่าถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่ ง, งอย่างมาเป็นของมันเองเพราะว่ามีอะไรมากําหนดมีมีอะไรมาจัดการแล้วอันนั้นก็เป็นความเชื่อที่ผิดอีกแบบหนึ่ ง, น, งนะเพราะว่าอะไรมันคล้ายๆเหมือนบางรัติที่เขาเชื่อว่ามี มีพระพรมก็ดีมีพระเจ้าก็ดีมากําหนดชะตาชีวิตของสุขสรรพ์สัตว์ทั้งหลายเราไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปล ง, ปลงกําหนดที่เขากําหนดไว้แล้วได้ชะตาที่เขากําหนดไว้แล้วได้อันนั้นก็เป็นลัทธิที่เรียกว่าผิดถุดตรงไปอีกด้านหนึ่งแต่ลัทธิที่ถุดตรงอีกด้านหนึ่งก็คือการที่คิดว่าจะบังคับกายเออบังคับใจนะนนจะสั่งให้มันเป็นไปจปัจงที่ต้องการให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะ สร้างอัตตาสร้างตัวตนนะสร้างการบังคับสร้างการบัญชาสร้างการกําหนดชะตานะมันก็เป็นความผิดอีกแบบหนึ่งแต่พุทธศาสนาสอนเรื่องทางสายกลางท่านเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นตามเหตุและก็ปัจจัยมันมีเหตุเช่นนี้มันมีปัจจัยเช่นนี้มันเลยเกิดผลเช่นนี้ไม่ใช่มันเกิดเพราะว่าเราอยากให้เกิดไม่ใช่มันดับเพราะว่าเราอยากให้มันดับ นะไม่ใช่สิ่งที่เราบังคับได้แต่มันเกิดเพราะว่ามันมีเหตุแบบนี้ก็เลยเกิดผลเช่นนี้เองการที่เรากลับมาศึกษาเรื่องกายและเรื่องใจนะมันจะทำให้เราก็ใจอ้อเหตุมันเป็นแบบนี้มาเลยเกิดผลแบบนี้นะเราก็แค่รู้จักว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลเราก็รู้วิธีการที่จะรู้แล้วว่าออเหตุอะไรทำให้เกิดทุกข์เหตุอะไรทำให้เกิดความไม่ทุกข์ พอเรามาศึกษาเรื่องเหตุปจัจจัยตัวนี้ได้นะเราจะเข้าใจตัวนี้แล้วก็ทำเหตุถูกแต่ก่อนคนส่วนใหญ่ทำเหตุของความทุกข์ทำเหตุของความหลงทำเหตุของความยึดมั่นถือมั่ น, นสำคัญหมายว่าการนี้ใจนี้เป็นของเราแต่พอศึกษาธรรมะไปนะมันจะเรียกว่ามันจะรู้ทันรู้ทันเมื่อจิตมันไปสร้างเหตุที่ทาให้เกิดเป็นความทุกข์จิตมันจะวางนะ จิตมันจะคลายหรือว่าจะเรียกว่าตัดก็ได้นะตัดการทําเหตุที่จะทําให้เกิดเป็นความทุกข์ความไม่ทุกข์ก็เลยปรากฏขึ้นนะที่จริงมันสัมพันธ์กันเมื่อเราละเหตุนะในการสร้างเหตุที่จะทุกข์เกิดขึ้นความไม่ทุกข์หรือว่าเหตุที่เกิดความไม่ทุกข์มันก็เกิดขึ้นของมันนะเพราะว่าความทุกข์กับความไม่ทุกข์นะมันอยู่ตรงข้ามกันเมื่อเราละในการสร้างความทุก มันก็เกิดเป็นความไม่ทุกข์นะอนนั้มันสิ่งต่างๆเลยนะมันจะกลับมาเห็นว่าอ้อที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เพราะการบังคับบัญชาของเราหรอกนะเพียงแค่เพียงแต่ว่าต้องทําให้ถูกเหตุเท่านั้นนะการกลับมาศึกษาเรื่องกายศึกษาเรื่องใจนะของพวกเราทุกคนนั่นแหละเราจะเข้าใจตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาวะทิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่ในคนทุกคนนะ ไม่ใช่คนดนวรซ้ำนะทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีสภาวะนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอามากลับมาให้เข้าใจให้มันได้นะกลับมาศึกษาให้มันได้เมื่อศึกษาได้มันก็วางได้ก็แค่นั้นเองการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากนะกลับมาดูความเป็นจริงของชีวิตเท่านั้นแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตยอมรับในความเป็นผลของมัน นะแล้วก็สร้างเหตุที่มันถูกต้องขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราทําสิ่งต่างๆตรงนี้ถูกต้องนะชีวิตของเราก็เดินทางไปสู่ความไม่ทุกข์แน่นอนสภาวะที่ไม่ทุกข์มันก็ปรากฏขึ้นแน่นอนไม่ต้องอ้อนวอนขอร้องใครอันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพรนะัตนไตจนะเราเกิดมาในชาตินี้ภพนี้แล้วนะนะมาตัดวัตตะส่งสารกันดีกว่านะอย่าให้มันเวียนว่ายแต่เกิดขึ้นมาอีกเลยนะ จะพบใหญ่พบน้อยนะพบภูมิทั้งสามกำเนิดทั้งสี่มันก็ปนเวียนอยู่ในกองทุกข์เท่านั้นแหละนะมีผู้รู้ท่านก็บอกนะการเกิดทุกข์คราวนะก็เป็นทุกข์ร่ำไปจะเกิดมาโวยมาสวยมาจนมามีก็เป็นทุกข์ร่ำไปเช่นเดียวกันแหละนะมันทุกข์เพราะว่าใดทุกข์เพราะว่ามันมีรูปมันมีนามมันมีกายมีใจมันก็ทุกข์ร่าไปแหละดังนั้น สิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือสอนเรื่องการตัดวัฏสมสารการหยุดการเวียนว่ายใจเกิดทีจะเกิดดีเกิดไม่ดีก็ทุกเช่นเดียวกันนะเราต้องปฏิบัติตัวนี้ยตั้งเป้าหมายถ้าเรายังเห็นว่าโลกใบนี้นะมันยังสวยมันยังงามอยู่มันยังน่าเอามันยังน่าอยู่นะเราก็จะไม่ออกจากมันหรอกนะเพราะว่ามันยังเห็นสิ่งที่น่าสนุกอยู่มันยังเห็นสิ่งที่น่าเสพอยู่ มันก็ยังอยากกลับมาเสพเยอะแต่ผู้โตองค์ท่านบอกว่าสู่ทั้งหลายจงมาดูโรคนี้นะซึ่งสวยสดงดงามดุจราชรถซึ่งคนเขาเขาหมกอยู่แต่ผู้ที่มีปัญญาหาข้องอยู่ไม่ไ ม, มันจะเห็นโรคใบนี้นะมันน่าเบื่อมันไม่น่าเอาแต่ก็ไม่ใช่เบื่อแบบเบื่อนายนะแต่มันก็เป็นความเบื่อนายแต่เป็นความเบื่อนายแบบใครกําหนัดความกําหนัดก็คือ ความไปยึดมั่นนะหรือว่าไปเห็นว่ามันน่าเอามันน่าเสพนะมันคลายแบบนั้นแต่ไม่ใช่เบื่อแบบเบื่อแั้งหมดกําลังใจเบื่อทั้งหมดแรงเบื่อแล้วก็เกิดคล้ายๆอ่าเรียกว่าอยากจะหนีโรคนะแต่มันไม่ใช่การหนีโลกนะแต่เป็นการอยู่แบบพ้นโลกมันต่างกันคนที่อยู่แบบหนีโลกก็คือคนที่ไม่อยากเจออารมณ์ไม่อยากเจอสิ่งกระทบไม่อยากเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ ก็เลยพยายามจะหนี้เรื่อยไปบางคนคิดว่าอยู่ทางโลกมันน่าเบื่อไม่ไม่มีอะไรเอาก็หนีมาอยู่ทางวัดอยู่วัดบว่เป็นพระเบว่เป็นชีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็คิดว่าโลกในวัดมันจะดีกว่าโลกข้างนอกแต่พอมาเจอความเป็นจริงบางทีมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็เกิดความผิดหวังก็เกิดความทุกข์ใจเพราะจริงๆโลกในวัดมันก็ยังอยู่ในโลก เช่นเดียวกันนะแต่การจะอยู่พ้นโลกจริงๆนะต้องเข้าถึงปรัชญาไตเนี่ยแหละถึงจะพ้นจากสภาวะความเป็นโลกได้โลกโดยสมมุติมันมีเขตวัดมันมีเขตบ้านอันนี้เป็นสมมุติแต่ปรัตญ์ที่แท้จริงคือสภาวะจิตใจที่มันพ้นจากความเป็นโลกก็คือเห็นความเบื่อหน่ายของวัตตาสงสารคลายความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าใคร เห็นว่าโรคใบนี้มันสวยงามนะมันก็เกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายก็ทําให้เราคลายกําหนัดนะเมื่อคลายกําหนัดก็เกิดความสุดพ้นนะเมื่อสุดพ้นแล้วก็รู้ว่าสุดพ้นแล้วเนี่นเป็นสภาวะทึ่งเราสามารถปฏิบัติได้นะต้องเข้าถึงตรงนี้เราอย่าไปติดแค่สมมุติที่เป็นรูปแบบภายนอกเท่านั้นต้องเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงจะเป็นพระเป็นชีเป็นโยมสามารถเข้าถึงสภาวะตัวนี้ได้คือความพ้นโลก เห็นว่าโลกมันอยู่ต่างหากเห็นว่าโลกมาอยู่ห่างๆโลกในที่นี้คือกายแล้วก็ใจนี่แหละนะมาอยู่ห่างๆมาอยู่ไกลๆมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรมันเป็นเพียงแค่อาการของมันเองจะเป็นโรคที่เป็นกายเป็นใจของเราเองก็ดียิ่งที่เป็นเรื่องของคนอื่นติ่งอื่นเนี่ยก็ยิ่งเห็นไกลเช่นเดียวกันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรเลยนะไม่ใช่ไปยึดมั่นสคัญหมายอะไรเลย มันก็เป็นเพียงแค่อาการของอีกรูปอีกนามหนึ่งเท่านั้นรูปนามนี้มันก็ทุกมากแล้วจะไปยึดรูปนามอื่นมาเป็นทุกข์อีกมาแบกอีกนี่มันยิ่งไม่เอานะนะท่าสี่ขันธ์ห้าที่ต้องดำรงอยู่ตรงนี้มันก็ยังแสดงความทุกข์ให้เห็นมันจะไปเอาท่าสี่ขันธ์ห้าคนอื่นมาเป็นตัวเป็นตนมาผูกพันสำคัญมัตถุนหมนี่มันไม่กล้าเอาหรอกนะบางทีอาจจะเกิดความหลงผิ ด, ดไปคิ ด, คดนะ ไปคิดไปรักไปชังไปชอบไปหลงอะไรกับเขาแต่มันก็มีปัญญาที่ยั้งจิตไม่ให้ไปยึดหรอกนะมันมีแต่ความสัมพันธ์กันนะแต่ไม่ผูกพันนะมันมีความสัมพันธ์ในฐานะต่างๆนะแต่มันจะคลายจิตที่ผูกพันกันนะจะผูกพันกันมากี่ภพกี่ชาติหรือว่าชาตินี้ก็แล้วแต่นะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องตัดทางนั้นแหละนะต้องตัดกันถ้ายังมีความผูกพันกันอยู่นะ ก็ยังต้องวกเ ว, ว, วียนเวียนไหวาตายเกิดอยู่ยิ่งเฉพาะความผูกพันในภพภูมิหรือว่าในจิตในกายของตัวเองไงนะมันยิ่งทําให้เราเหนียวแน่นไม่ยอมออกจากโลกใบนี้ไปได้การมาศึกษาธรรมะเนี่ยกลับมาศึกษาตรงนี้ยมันจะคลายความผูกพันต่างๆก็คือการคลายความยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นของเราใจนี้เป็นของเราเมื่อเราคลายความยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นของเรา ใจนี้เป็นของเราได้นะทิ่งสิ่งอื่นมันก็ดุจตามไปเองนะสิ่งที่จะยึดมั่นว่าคนอื่นสิ่งอื่นว่าเป็นของเรามันก็ดุจตามไปเองเพราะว่าไม่แต่กายไม่ได้ใจที่มันว่าเป็นของเรามันยังไม่เอาแล้วสิ่งอื่นมันก็ไม่เอาแล้วแหละนะกิเลสมันก็ไม่เอากุศลมันก็ไม่เอานะมันไม่ยอมเอาอะไรละนะแต่ถ้ามันยังมีความหลงผิดมันก็ยังเอาอยู่แหละนะ แต่เอาแล้วก็วางได้นะถ้าไม่มีปัญญาเกิดขึ้นมันไปหยิบมาไปยึดอะไรก็วางได้นะปล่อยได้มันดีกว่าปุตตชนตรงนี้นะก็คือว่าปุตตชนคนธรรมดาอ่าไปหยิบไปยึดก็วางไม่เป็นจนกว่ามันจะคลายของมันเองเพราะจริงทุกอาการนะมันก็คลายของมันเองจะเป็นความคิดจะเป็นกิเลสจะเป็นความทุกข์เกิดขึ้นนะแม้ไม่มีเป็นยามาศึกษาธรรมสภาวะธรรมมันก็คลายของมันเองแหละ แต่มันเป็นคล้ายเหมือนกับเหมือนกับปิงที่มันมาดูดเลือดท่าที่มันดูดเลือดเราปล่อยให้มันดูดจนอิ่มอะแล้วมันก็คลายของมันเองยุงมากัดไม่รู้สึกตัวมันกัดจนอิ่มมันก็บิดหนีของมันเองปุถุชนคนธรรมดาก็เป็นเช่นนั้นโดนความทุกข์มันกินจนอิ่มนะร้องไห้จนเหนื่อยนะแล้วค่อยคลายของมันนะก็เลิกของมันเองมันก็เป็นอาการของมันแต่ผู้ปฏิบัติธรรมเนาะ อาจจะมีอาการตรงนั้นบ้างนะแต่ถ้าเรารู้ทันมันมันก็วางของมันมันก็คลายของมันหรือว่ามันมันก็โดนดึงออกไปของมันเองนะเนี่ยเราให้เข้าถึงสภาวะในการปฏิบัติธรรมให้มันได้นะเข้าถึงพรันาไตนะเป็นที่พึ่งนะที่จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาช่วยเราเนะอ่พระธรรมไม่ใช่มาเรียกว่ามาเป็นที่พึ่งแบบคล้ายๆมีคนคุ้มครองนะ แต่ที่จริงเพราะว่าเราเข้าถึงสภาวะนั้นแหละเราถึงพึ่งตัวเองได้นะพึ่งตัวเองในทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายก็ยังต้องพึ่งคนอื่นมากมายแต่ทางด้านจิตใจเนี่ยพึ่งตนเองได้แน่นอนมันมีปัญญาที่จะพอเอาตัวรอดได้นะมีปัญญาที่จะพาตัวเองออกจากความทุกข์ได้มีปัญญาที่จะแนะนําคนอื่นให้ออกจากความทุกข์ได้นะคะแนนมันเป็นปัญญาตรงนี้ปัญญาในทางพุทธศาสนาก็คือ ปัญญาที่จะพาพาออกจากความทุกข์นะพาตัวเองออกจากความทุกข์พาคนอื่นออกจากความทุกข์ปัญญาภายนอกนะมันก็เป็นงันงนแหละนะเกิดมาแล้วก็ตายไปสัญญามันจําไม่ได้ก็ลืมไปจะเรื่องไหนก็แล้วแต่เคยเก่งเคยรู้สัญญามันก็ลืมไปได้นะสุดท้ายเป็นอัลไซเมอร์จําอะไรไม่ได้สุดท้ายตายไปสมองตายก็ไม่รู้อะไรละนะ แต่ปัญญาในทางธรรมนะมันไม่ใช่เรื่องของสมองแต่เป็นเรื่องของจิตใจถ้าจิตใจมันจาอาการอะไรได้จิตใจมันรู้อะไรได้มันก็รู้ของมันแม้สมองไม่ทำงานมันก็รู้ของมันแม้กายมันจะพักแต่ใจมันก็รู้ของมันใจก็ทำงานของมันเองมันจะเห็นอาการต่างๆนะมันเป็นเรื่องของที่มันเป็นไปเองนะแต่มันเป็นไปเองตามเหตุและปัจจัย ไม่ใช่เป็นไปเองเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นหรือเราบังคับมันได้แต่มันเป็นไปเพราะมันทำถูกเหตุถูกปัจจัยมันก็เลยเกิดผลเช่นนั้นเองเนาะพวกเรามาปฏิบัติธรรมกันเอาพรรษานี้นะเป็นจุดตั้งต้นของชีวิตเรานะอดีตผ่านมาแล้วกี่กี่พบกี่ชาติกตี่ปีก็เรื่องของมันเถอะนะอย่าไปอะไรอาวร์กับมันนะจะเกิด วิบากผลกรรมอะไรเกิดขึ้นกับรูปนี้ก็ปล่อยเรื่องของมันจะมีอะไรมากระทบกับรูปกับนามนี้ก็เรื่องของมันจะตั้งหลักตั้งใจในตอนนี้ก็พอละนะตั้งใจรู้ทันอารมณ์ของที่เกิดขึ้นกับกายกับใจในตอนนี้นะแล้วก็ตั้งใจที่จะเดินทางให้เข้าถึงความไม่ทุกข์นะในอนาคตให้มันได้นะตั้งหลักที่ปัจจุบันแล้วก็วางเป้าในอนาคตให้มันชัดเจน ชีวิตของเราก็จะไม่ดวงทิศผิดทางเนาะอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราดงทิศผิดทางมันดวงมานานแล้วนะจะให้มันดวงอีกนะหยุดเสียทีนะพบภูมิกำเนิดทั้งเนี่ยกาเนิดทั้งสี่นะพบภูมิทั้งสามให้มันหยุดสถทีไม่ต้องไปเกิดเป็นอะไรแล้วแหละนะมาทำที่สุดของกองทุกให้มันปรากฏให้มันได้ถ้าได้ชาตินี้ก็ยิ่งดีไม่ได้ชาตินี้ก็ทาต่อ นะในชาติหน้าเดีนะ๋ยวคิดว่าชาติหน้าไม่มีนะนะถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องมีนะมันก็ยังมีอยู่แต่ถ้าหมดกิเลสมันก็หมดชาติหมดภพหมดภูมินะนะก็พยายามทำกันเนาะญนะาติโยมก็คงพอสมควรน ะ, นะะสมาทานศีล